มีพุทเจ้าเสด็จไปเนามีฟคงธรรมพุทธเจ้าเั็นแม่ให้ภาวนาอีก2ปีให้หลังพธเจ้าเสด็จผานอนนี้นแต่คนนี้เขาในีวิตทอผ้าซึ่งาชีวิตสิ้นารก็เพื่อนไว้อยู่เจ้ามีจังหวะทอผ้า ก, กันบิบกีสองปีให้หลังจิตใจมันเ่นๆกิอาชีพบางอย่างนี่มันหนุน เป็อาชีพเย็บจักรยุดินุยู่ายราชีพซื้อง่ายมากที่เขานาวแต่ถ้าเักบัชีวิศรยานแต่ไม่ได้มายถึงเสายเ่พระจเส็มาพที่รรมศาลาเดกไม่รีอผ้าเล่นเดือที่เอถึงที่ปรชนธรรมาลา เ น, น, นมีธราลา่หลัง แ, แหง เ, เพื่อนที่พักของพระครบที่ทรงทำเมื่อพรจาเมื่อมีจนจบเสุนทรภิษณ <c oughs> ์พระทิมรอนเด็ก็กมเ้ากลังทำารลาวที่เจ้าจะาาาาขอมดีกว่าเธอมาสัก ถาไ่รู้รู้ระจะะไปไหนมไม่รู้พระเจ้าค่ะเธอ ไ, ไมีไมู้ม ะ, นะ้นค่านานทกกนะท่างนี้สำหรับคนที่ทนมาจนแล้วค่ะคือรู้ตลอดพระเจ้าเด็กอนนั้นเด็กหายงมาลี น, นเด็กี่ไมา่มแต่งานยังเด็กาอายุ ส, สองปีวินค น, นทนธรรมจาร า, าก็โมโหลาไป ตอนภาษาสลาที่เราเลิกกไม่รู้เรื่องนี้แลไปแบบเยงเนนี่ก็พี่เจ้าสมรู้ต้อติดใจคนในครามสลาก็ให้เด็กพิจารณ์ท่านสงสามท่านถอนเธอว่ามาจากไหนท็ไมเธอท่านบอกไม่รู้เด็กบอกว่าชีวิตมาจากไหนที่มีคำตอบ อะไรมาจากไหตอบไม่ได้เขาก็เข้ า, ขานควเลยไรู้สิ่ง น, นันอย่างาานี้เถูกเขรู้หรอบอกไปนี้ีเามชีวิตนาเางตายใม่น่คงคนตตายมันไม่้รู้คม า, ม, ามันรู้มันมันมีอะไรจบขึ้นรู้ตัวเธอเรู้ ก็ไปไหนไม่รู้ที่ตายไม่รลายก็ไม่รู้แต่ที่นี่ไม่แน่ที่ตายไม่นหละแต่เ่องีจะเอาามิที่สุดความคินาเ็คตอนพอนอนแก่เป็นโสดาบังเน่ราโสดาโสดาอะไรนีจะเปให้ความสัจคิดอย่าไว แคลนขึ้นไม่ต้องพูดธรรมดาธรรมดาผู้เข้าถึงตัวแสทำนี่มันเป็นแล้วแเราก็เป็นธงรมอีแล้วเพราะฉะนั้นทข้าถึงไปรู้สึกชัดชัดขึ้นมาว่าเป็นอยู่แล้วอยไรม่ใช่อาการที่สักติดฟิสตามเหมือนที่อธบาอยู่ช่างผูเป็นโสตนอนอาบน้ำยี่องค์ไม่เย็นไม่หนาวเหมือนเมื่อไหร่เงียเย็นเย็นม่ได้อะไรเันอะไ ลงต้นเขาห่อเหยอเมือ ก, ก, กาจัินน่เรื่องเียดังดินแม่น้ำหหเย็นชักห่อป้องขกตรงไหนคือเดินเมียสิ่งเีย่างนี้นทำลายสิ่งควรประโยชน์ทจริงู่ชีวิตเราคิดจนั้นแล้วมันไม่ไ ม, ไม่สามารถนมันทำมา าการเรื่องในส่วนในสมาธิกรรมที่น า, น, า, า, น, าน่าสในใจนะคนที่ไม่ม ไ, มได้ภาวนาเลยในรูปแบบแต่ว่าภาวนาอยงอิสระมาในตัวชีวิตงเขาแล้วเกิดการเข้าถึงเจกากั ง, งตนันี้อทีมงานดีเรายนี้ใช่ือที่บายผิดๆจะย้อนยุติ้ื่ ท่าวคืบาเราหยุฆ่าคนนะตื่นแล้วมันยุดฆ่าที่จริงไม่ได้เกวกัเรื่อง น, นี้คำวา่าหที่พระคือมันไม่ยมือลกงเหมือ น, นไม่ใช่เรื่องหยุดเพราเราเคยฆ่าใครเสมอเห็นหรือล่าทุกทีที่ใครผมเข้จคือหยุดความเป็นคนหยุดรแรงางารามันเข้าไปใน เ, เนื้นองันเองในภาาอมันทุกทีมัลิชีวิต ด, ด้านทุกท กรณีของพระพายาจักข้อท้าของเจ้าอยู่กรณีของพระพายานีคือคือเรื่องกรรมนี่เปนเองการเา ล, ลุนเขียนทืกสารปีเยื่อมันเขาเอาวิสุทธิแต่งเรื่องกรนี่เอามาสองสุดที่สุ ด, สดประดับของท้าุทาติกับพระพายาไม่มเป็นคนเดียวแล้ว สร้างเรื่องหม่ให้เปนการเรื่องการมึกว่าสิทธิ์ที่ฟังทำาไม่รู้เรื่องแล้ออกกานหน้วูบ้างติดปากก็ตามนู่นจริงนั่นจริงนั้นพาย้ายเร็วตายเร็วตายแล้ก็เป็นคนมีปฏิภาณคิ้นชังกล้ามทำพระอรหันต์ออมแตงให้มันยงอก เป็นคนเดียวม น, นเขาเห็นคนแปลกๆที่นักสือถึงพูดภาษาแปลกๆทำแปลกคนนึงคิดว่าเันร้านหารใหญ่เลยเป็นบาย์สำหรับเล่นที่นี่คืนนี้เขาพยายาม เ, เกิดสลดสำนึกใจที่หลอกลวงชาช น, นไม่ได้ยินขาวว่าเขาเป็ชาอุบัติขึ้นมานในโลกนี้ผู้รู้จริงๆอยูน่นี่ทนเดนตอนคืนคืนเดียวสืดๆเศ้า ยืงถาิบัตพือถึงที่ e <S <s so สุดทุกข์เสมออาทิตย์วาราบตอนเช้าอยู่พสมทรงมีพระมดที่เจ้าจงออกเสด็จทงบาตรเด็จอกทรงบาตนี้ก็นไม่ได้ร้องไม่ได้ทำอะไรนี่ทีนี้หน่งวันเจอแล้วก็จับก็เทามันไม่เดินนถามดูคนคนมีทุฒิสายที่แปลกถามว่า บอกท่านท่าปฏิบัติธรรมะในธรรมเนี่ยความยุ่งยอนใจทีเจ้าปฏิเสธสองครั้งท่บอกเวลานี้ไม่ใชเวลาแสดงนะครับเมื่อที่ะมาอุปนิสัยแล้วทีเจ้ากลิ่นจับท่านบอกให้นุ่งเคยทำใจให้ดีเลยท่านบอกที่เรารู้ก็ดีแตเมื่อตาเห็นรูปสักดิ์แตเห็นนีนี่คือพาสทธิที่เจ้าสอนไม่ผ่า ตาตาเห็น้สักการเห็นูยินเสีสักการเห็นจิตคิดธรรมารงสักการู้เพราะนั้นเธอจะไม่ปรากฏในโลกนี้ในโลกหน้ายในโลกอื่นๆทงหลงที่นั้นเนที่สุดซึ่ทํา้ั่นหมัมนมเนี่เหมือนหเหมือ น, นคุนเสกเกี่ยตัวเองตัวตน เขาจะไ่ดดเลยอย่างที่นี้ที่โม้นหรือกลืนๆกันทุกนี้ทุนนกนั่งนได้ตั้งรูปสักแตเพียงรู้เพียงเห็ น, นเราเราพามาเอาอเพียงรู้เพียงเย็นนี่นั้ น, น, น, น, นตีหมอรูนน้ตัวเองที่ไม่จอดกิทีนี้จะเรื่องเป็นเท่านี้แล้วของมันซ่อก็ได้แต่เป็นตัวความจริงตัวนี้น เราไม่สิลยวใจนี่ก็คอยย้าําคุณไว้เาได้ยินเท่นั้เข้าถึงก็ถึงไระดับของของเจ้านายของแล้วทูลขอบันดาลใจที่จะเป็นพระชีวรขอบาทลวงก็ออกไปไม่รู้บ้าง พะเจ้าทตรัสส่เสราพายะเป็นเอกะทักษะใ น, นทางรู้ักตั้พุจบเข้าถึงพวกเป็นคนจริงไม่ก็แม้จะม่รู้เพกสกิดสะกาวส่วนถ้ปุกปสาติหุ น, ม น, ม น, มนไม่เคยพบพระพักของพระเจ้าแได้ยินขานน่าวลือผู้รูุ้บัติห น, น้าผู้จริ ตีอเลล้วตีไท้าก็ชาวบ้านไเข้ากินตีไปนักบวชบางิจัยก็ต้องไปให้อาจารย์ปวดบางนิจัยบวดตัวเองอย่างพระธนกพันธ์ดีบวดเองตีเกาแตกกล้าต่อสู้แล้วบังตีเข้านสุดตายหลุดตาถึงเท้าคนหัวนุ่งถอตีถึงเดียกุกษาตีบวดแล้วก็เลื่อน เรื่องขึง้ไม่มีกับพักรั้งงบ้านช่มอ้อกับนักบวชรูปหนึ่งท่ทุกย่างเขาไม่รู้จัเพราะนักบทิศให้กับพระเจ้าในเร่อกรรมนิพพินอะไยนี้นนตอนนี้พระเจ้าสังเกตเห็นว่าพระหนมูปนี้เป็นคน อายุติสาธบอกบทุพพิทพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถามแล้วเคยรู้จักตรงนี้อ่าสาธิบอกไม่เลพระเจ้าปเลยสงโดยไม่ให้รู้ตัวเปนพระสอนเป็นดับเรื่องมือท่าซึ่งงสอในอินในอินเดียนเือง้สอสาต้องเป็นพเจ้าอู่ล แต่ะเป็นต้นจากธาธาตุสิ่งจผัได้สิ่ง้หาสิ่งที <homepage. S 3> ่เรียกว่าวัตถุแต่คาธาตุหรือวัตถุนี้ไม่หมายของพเจ้าเนี่ย่ง้าด้นสุขนี้ก็เป็นวัตถุเป็นธาตุนเป็นอิเมน์น่งสึกุธาตุทุกุธาตุโทมนัสธาตุมนัสธาตุ เป็นสิ่งที่อยจริงใช่ไหคว่าธาุคหมายค่นข้างผิดแากคว่า e l e m e t นภาษางในวิทยาศาสตร์ครับาตทองแดงธาตุเงินทีสุดก็เป็นธาตุทุกก็เป็นธาตุคำจบสิ่งนึ่งที่ผูปบัติเข จามันน่ีใพูด่งเลยแบบเป็นเกันก็กษาเาทมรู้จักกันผ่านทำทำเกาลแลก็ขอทนขอบนฉับกุ๊จ่าบอกใหาบาีวอกไปแับ้ากดตินดียที่มีม่บ้าเยอะัวเยอะนี้มันจะนี้ มันจะมากกว่าคนนีครับที่เรื่องอาจารย์เราเขินที่เป็นชาวผู้ยุหลังพยายามที้อยกองเป็นเร่อเดียวกันว่าไม่ได้ตัวนั้นตัวเดียวกันได้ตับ้าทีุดภารยะทีดทับขุดสาซึ่งเป็นเรื่องอีกเรื่องกีกตีจรงที่ทางบริัทสมอาจารย์ติย่างที่จะรบาเมื้ชอตก่อนน ปกติเปิดเป็นอะไรแล้วก็ไปข้าวเยวข้าวมันี้อะไรเนี่ยวิ่งหมดเลยวมดเป็นหนังสือสี่ดีมากแอ่แลมันมีเง่อนไขมากแต่ขอให้พันส่วนที่ทภัสฑาพันเลืกออกไปไบ้างจบทเฉพาะแก่นเานันการจับกันในตนเราไม่ได้อดอะไรนะโยชนบเท่าไหรชอบใจมากที่ส มัมมมม่ใจไม่มั่งแ่ใจเป็นต่งน้ซึ่งจะลายความหมักหมมที่จกเมืองทยเนที่ละละละละ ท, ที่เราทำแบบไทยที่นั่นแบบไทสิเป็นมีความดีด้วยควาหล่อทองที่สุ ก็รรียนต้งไปรยริงๆัเรีนนไมดัู้ใจรู้ตัวจะเข้าเรยคิดคิดให้รู้ถ้าคิดไม่รู้ยากนะิดเข้าในนี้แล้ว่ฟงคิดแล้มันออกยากมางสังเกตุปเข้าในสายาเข้าในคล้องง่วงากเลยทำไรตามนัเข้าเวาไ่ออกหอปา เรื่องเล่าอะไรของมึงสิ่งก็คำคิดแต่ละครั้งเนี่ยเกิดต่อเนื่องหรือนกับมึงก็เกิดเป็นภาวะขึ้นที่ว่าคนบินดีก็เกย ง, งี่เงี่ที่มือดวงเดียวใส่แขวนที่ท้องเนี่ยถี่ขึ้นมส่เกิดเป็นดวงหมงือนกับเป็นดวงขึ้นจากองคิดที่ได้วถนาดที่กลายเป็นพบชอบเป็นภาวะเป็นคนไม่สั่อยู่ ชั่งของตัวเราขึ้นเกิดความคิดเกิดเสังขารคิดคิคิดกเกิดเป็นภาวะที่เราพบพบก็จับตัวแล้วก็ คิดแต่วอยากสนใจความคิดผมเคยปฏิ บ, บัติฟัง่อรหรือพลาดมนบ่อดูดีทั้งเดินดูีคิดทั้งรำเดิมจ้งเขาคิดอะไรเข้าไปเรื่อีๆหนักขึ้นเนี่ยคือไม่เข้าในจแต่พราท่านให้คำสม่งคำสิดธ์ท่านบอกอย่างไรตายแล้วคิดว่าผมเหมือนท่านน มันอยู่ในโลกมันพูดลิสือมันไม่ต้อมีคนที่หนม่เาไหนดูเขาก็ว่านิดเดียวมนี่ความเวอร์นเต็ ม, ม, ตมได้วยเรื่องราวประมาณทแรกของให้รู้สึกตัว่อรู้สึกตัวง่ายรับรู้สึกตัวมีมถามเพือนผมคิดเกิดเวเห็นเราไม่ถล่มหรอกถ้าเราดิืนที่ดินต่อเหวเ น, นี่ยนอนังก็ได้นั่งนั่นคงแต่พออะไรถามเราเราปัได้ทันทีแตถ้าเราแั่งนั่ง ินดีเ่รเป็นูรู้ตัวนุ้นี้เามันมกนีน่มนอออนนคมันไม่ออกทางความคิดค่้าพอเาข้าไปความคิดแล้วมันจะหาทางออกอยู่ในความคิดไม่หนียิงคิดะาทางออกจากความคิดมันจะเท่ากับสร้า ง, งามีหลายทเดียว่านั้น นักป่วยยงๆบงคนที่คิดท น, นในสิ่งทบ้าบ้าทางนืองน้อจม่ดจะออกอีกทางพอเดูใจรู้สึกนรู้รู้แต่แว่าเราก็อยู่ในโลกธรรมดามไม่ใช่ตัดขาดก็้นื้อตาเราสมสาสสสสพันหนึ่งแสรูปเนี้มันจะออกได้านมันไม่ได้ออกในาคิด ใส่ร่นดวย ท, ย ท, ยทนศิลป์วันนี้ผมก็แนะนเรื่นจ น, นเป็นรืน่องเรื่องที่พอเป็นที่ที่เล็ดลอนคือทดลองเห็นการสื่อวัตถุจ <c oughs> สมัมผัสวัตถุเหมือนตรง ดใจเป็นู้จิตเป็สัมผัสจะพาะว่าถุในการวัตถุอขอ้างนอกนี่มันก็ถึงเหมือ น, นตอนที่เราเ ร, าริ่มมอมนมองหเลนก็ใช้จับถึงใช้สัมผัสนีสัมผัสเป็นมานตลอดบางคนมันเป็นเหตุที้ นมันเป็นโมกติต้นลาบดอกกลามันเป็นความคิดทัไม่บบที่เรเนความคิดจับตัวเรวาไว้เราอยู่ในในความคิดผู้ได้อยู่ในความฝันเมื่าเมื่อเราเห็นต้นม้ต้นไม้สวยสั่งพูดมันคิดขึ้นคตอนมันเห็นแบบสัมผัสมันเป็นอารมณ์มันจะนั่นวตัวไม่ใช่นั่นโหก มี่ก็เต็นอยู่ h ั y งเรื่องเห็นก็เต็มอย่วตรชาติสัมอยู่แล้วอาการรู้สึกเบาจางนะคือแค่แค่มีหนั ก, นกลเกลงมานรูนน้สึกมนเบาการที่ จ, จงางนี้นสาองีอยู่ คือมันจกมีรู้ก็จะู้เอยแต่าีหลว่าให้จะรน่ คนอยู่ภูเขาไม่เคยเห็นภูเขาเลยมีคนเข้าถึงทะเลก็ไม่เห็นทะเลหรือคนดื่มน้อเราอาน้เข้าปากแต่ น, น้นถึงนี้มันแล้วไม่มีผู้ดื่มเลยแล้วไม่มีสิ่งที่ถูก ด, ดื่มมีแต่อะไรมันสิ่งที่ปรากฏขึ้นั่วขแล้วก็ผ่านเล ย, เลยนี่เรารู้จริงขึคนค้นจัตุ ว, วาระของจุ จึงนี้จะมีประโยชน์ตรงมีช่วยเป็นบําไดแล้วปีนขึ้นูเขาขึ้นตรงไหนก็ได้แตใครตับันไดไว้ก็รือยนกเดืขึ้นร้วงขึ้นยด มันถดถาีมิรดาวมด ตรงนี้คงรู้ได้เลยเสียงองดาวเทอที่จริงนั้นคือคมเหมาะจากผู้ฟังผู้พูดแล้วท่านได้สอนในความสงบสงบธรรมเท่ากับเรืองนี้ กินนีอเราเองคืที่มีน้ำนมให้กิน่มือธรรมชาติใธรรมชาติบางบางนบางช่วงด้เราเองก็ดูดมเอนมาธรรมชาติสอนมอยู่มีความสุขงอมมีทื่องเลือเหมาะสมมีช่วงการเวลาอนะ ใจอยแบบฉันรู้สึกออกมาที่ต่อชีวิตเององสูงส่ม่่อร้องเลยรักแม่ตลอดมาคนมีบางเชืองหลงบางรู้สึกยท่วมทนทุกท่านท่านอะไรต่างๆแ้วก็ทำงยามมว่าร้องถึงแม่ที่อบ ถ้าเราจใิใจกระเดือง่องไปเราจะไม่ดู้ไม่รู้สึกต่อความดีความงมของธรชาติถึงความดีความงามในธรรชาติติดงยึดชอบมันไ่นแลก็จะมีช่วงที่เป็นจังหวะนิ่งการทีเ่เดินของเรา อ, อกมาเป็คนความนุ่มยั่ง ที่เชื้อสเปิรมของพ่อหุอหอ่งตัวใร่างการูปของ เ, องเด็กผู้ที่จหนวกมาดีจังหวดจากคน่นแน่นยังกับไม้หรือผลไม้หรือมักผลไม้จินี้มีจังหวดที่แน่นยัง เพราะว่ีวินั้เป็นเป็นสิ่งที่ล้มข้ตัวชีวิตเองมันเสียงทีล้มล้างข้ิงล้มข้าันไม่ได้ส่งแสลจนเด็กเด็กซ่งีติมดนชางที่สลัชออกชที่ดส เราเชื่อว่ e สามารถทำให้ระบบควา a สุขรูป t ร o มรูปความดีของสามา ดีสูงยิ่งมองมองก็ทีุ่คนประมาไม่อยู่นึ่งใกล่่่่่่่่ล่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่ิ่่่่่น่่่ี่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ท่่ทาาท่่่่ออ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่ เพราะ e ะนั้นเราต้องการจะระมัดขึ้นทากายในที่นี้มายถึงใชิดติสมผัสอ่รู้สึกอยูก็จะหายใจด้วยความสดและความชื่นออกมาจากตัวชีวิตอนนี้มันหมายว่า บา n ตอ o ซึ่งทำเสร็จ e ื <S> <S ่ต่บานกอบกดนแัญญาเฉลีอง้าฟ้าไครับอยบางช่วงช่วง้มาช่วนั้เองที้สึกว่ตอ ความเาดจที่พลาดช่วือนพวเที่ยงใช่ไหมนะเห็นงลายมีข้าวผ่าโดชีวิตเงินทองข้อความไม่ไชสียงไึ่วลาจริงจุชุกค่าว่ความเข้าใจที่ถูกต้องนั่นร่างใหญ่สายที่เห็นชีวจริงท ะะรเราัแล้วสักสากม่มีมเพียงมีชีวิตเท่านัไ้ตัวิที่เป็จุของควส่ล้าไว้นนเกเราใช้อสอยอ น, ส น, อสสสน่าสนันแล้วเต้องฝสัตวจามสิดูลักษณะการดำรง ยังใกล้ชิดติดพันผู้พันเราว่าชายหน่มใหลงลับสาวครต้องมันไปยยม